พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งร้อยสามสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดย่านของพระพุทธเจ้าก็มีเท่านั้นเนี่ยรู้หมดไม่มีอะไรที่ไม่รู้เทียงแต่ว่าพระองค์ไม่เล่าให้ฟังมันไม่เกิดประโยชน์ว่างงความรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนแผ่นดินแต่ที่พระองค์เอามาสอนเหมือนฝุ่นในเล็บมือแผ่นไตรปิฎกแค่นี้นะเท่านี้ก็พอแล้วเราก็ไม่หวาดไม่ไหวถ้าท่านบอกว่า ความรู้เพียงพอแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานเท่านี้ก็พอแล้วคําสอนเพื่อรู้อริยสัจนะไม่มีเกินกว่านี้อีกความรู้เพื่อบรรลุมรรคผลไม่ต้องหาว่ามากกว่านี้มีอีกไหมมีสูตรยอ่อสูตรเด็ดสูตรพิสดารสูตรสั้นสูตรยาวมีหมด <c oughs> จเจ้าแค่สองบรรทัดก็มีจะเอาแบบหวบหูหลายสิบหน้าอ่านจนหาวสามครัง้งไม่จบ ก, ก็มียจะเอาขนาดไหนก็มีหมดล้วจะอ่านเป็นเรื่องพูดไปตลอดเลยก็ได้ฮ เอาขนาดไหนก็มีคําสอนนี่มีหลากหลายตามสมควรแก่จริตเพราะนั้นพระคุณของพระองค์เนี่ยมากมายจริงๆว่ากั้นแล้วพระเทรสเนี่ยก็ตามละลึกนึกนะนะเขาบอกท่านละลึกนึกถึงคุณของท่านเองก็นึกไม่จบเขาบอกว่าถ้าหากว่าฝนเนี่ยจะตกตกทั้งจักรวาลเลยนะแล้วตกเป็นกับเนี่ยท่านก็สามารถคํานวณเมล็ดฝนเนี่ยเท่าไหร่ทรายที่ทะเลเนี่ยนะมีประมาณเท่าไหร่ท่านคำนวณได้หมดนะ สติปัญญาถามมากที่จะคำนวณน้ําในมหาสมุทรมาเท่าไหร่เท่าไหร่ท่านมีความสามารถระดับนั้นสมัยนั้นต้งไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าท่านสามารถมองออกคํานวณเป็นได้หมดอ่ะอันท่านมีความละเอียดละออลึกซึ้งมากเพราะว่าภาษารีบทเนี่ยท่านเข้าฌานออกจากฌานนั่นพิจารณาองค์ฌานหมดเข้าฌานได้ทุกฌานพิจารณาได้ทุกฌานเนี่ยปัญญาท่านละเอียดมากวันในบรรดาปัญญาทั้งหมดเนี่ยเว้นพระพุทธเจ้าซะภาษารีบทเนี่ยมีปัญญาที่สุดอ่ะ แล้วตรงไหนที่ภาษารีบพลานาเนี่ยดูว่าภาษารียบดูในคัมภีนิเทศเนี่ยโอ้กันปัญญาท่านแตกฉันมาคำพีปฏิสัมพิธามักนะคัมพีนิเทศคำพีปฏิสัมพิธามักหรือในสัมปัสาธนิยสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ภาษารียบยกย่องคุณของพระพุทธเจ้านะพระสูตรนั้นเนี่ยบางทีเราอ่านยังไม่ร่วมคืออะไรเลยมันลึกขนาดนั้นเรายังไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรของท่านเลยคือมีมีความละเอียดลึกซึ้งมากอย่างเช่นมีโมกแปดเนี่ยอ่านเมื่อไรก็ไม่ค่อยจะเข้าใจ นะอ่านเมื่ อ, อไรก็ยากทุกทีก็ <c ười> คือคนฟุ้งซ่านไปอ่านเรื่องสงบมันก็อย่างว่านะมันก็เข้าใจค่อนข้างยากหน่อยแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพุทธคุณมากๆ ก, ก็จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อเห็นคุณของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าพระธรรมคําสอนของท่านทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อให้สัตว์พ้นจากกองทุกข์พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติไปตามคําสอนเหล่านั้น แต่ว่าพุทธคุณนั้นมีวิธีการศึกษาเรียบเรียงแบบทั่วไปก็คือแนววิสุทธิมัติเนี่ยท่านกล่าวแยกจำแนกแจกแจงพระพุทธคุณให้เราเห็นเป็นชั้นๆเป็นเรื่องๆ เ, เลยอย่างเช่นอรหังมีเกี่ความหมายสัมมาสามัมพุโทโววิชาจารณะสมัมปันโนก็ค่อยๆรึกไปตามนั้นไปตรึกไปจนถึงพักวาซึ่งพวกเราท่านไม่ได้เลิกเรียนซะก่อนก็คงได้เจอนะก็คงได้ศึกษามีเรียบเรียงเพราะว่าเอกสารนี้ก็ผลิตยก่ กำลังทําอยู่คือที่ทําก็คือเรียบเรียงตามข้อมูลที่มีอยู่มาเรียบเรียงเป็นกลุ่มเป็นเรื่องให้เราสา ม, มารถที่จะมองเห็นเป็นชุดถ้าเราศึกษาพระพุทธคุณควบคู่กับการศึกษาพระธรรมแล้วศึกษาพระธรรมจะไม่หนักนะเพราะเราศึกษาเพื่อศรัทธาศึกษาเพื่อศรัทธาเพื่อปีติเพื่อปราโมทย์จะไม่หนักแต่ถ้าศึกษาเพื่อยอย่างอื่นนี่ยมันหนักจริงๆกันนะเมื่อกี้นี้ประนนำคาถาหนังสือเล่มนี้ไพเราะมากเลยนะครับ เราจะเห็นว่าราชบัณฑิตสมัยโบราณนี่นะท่านมีความรู้ขามีขายที่ไหนครับวรรณกรรมสมัยรัตนโกศิลเล่มสองเล่มหนึ่งมีอยู่เล่มเลยใช่ไหมมีเฉพาะเรื่องนี้มีอยู่เล่มอ๋อเอเฉพาะเล่มนี้นะเนี่ยเล่มสองมีขายที่ไหนไม่ทราบถ้าสุริวงศ์น่าจะมีสุริวงศ์มีนะเออวงประมณก็น่าจะมีเล่มประมาณหกเจ็ดร้อยหกเจด้อยใ่ไหมฮะประมาณหกร้อยกว่าหกร้อหกเ็ดบาทแค่โลกาภิถูเั้านั้นนี่ยคือรู้แจ้งโลกโลกหมดเลยเนี่ยเราจะเห็นว่า ถ้าเราเจริญพุทธคุณนะการเจริญพุทธคุณมีความสําคัญมากระหว่างพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าเกี่ยวข้องกันถ้าเราเจริญพุทธคุณได้นะก็แสดงว่าเราเจริญธรรมคุณก็ได้ถูกไหมฮะแล้วก็คงจะเห็นไปถึงสังฆคุณด้วยถูกไหครับเจริญครับคุณนะอชินนบัญชรนี้เปล่าถึงพุทธคุณพุทธคุณด้วยนะ มีพุทธคุณด้วยมีสังฆคุณอยู่ด้วยนะที่จริงก็คือคุณของพระตัตนะตรัยนะในคาถาชินบัญชรน่ะนะต้องไปดูในชินบัญชรแปละจะเห็นว่าคาถาเหล่านั้นก็คือคาถาพารณาคุณของพระตัตนะตรัยเหมือนกันพารณาถึงคุณของพระสาวกด้วยพยาสนากตาพุทธเชตวามารังสวาหนังเนี่ยพวกคาถาเหล่านี้ก็คือคาถาพุทธคุณอะ่สะสารเสริญพุทธคุณก็เหมือนกับพาหงอพาหงสหสมปินิมิตพวกนี้ก็คือคาถาพารณาพุทธคุณทั้งนั้นเลย อันพระโบราณจารมที่ท่านมีความสามารถที่ท่านศึกษาพุทธคุณแล้วก็ท่านก็มาประพันธ์เพื่อสะดวกต่อการท่องอย่างพุทธคุณนะอิติปิโสพววระวารหังสัมมาท่านท่องอยู่9้าคำนะอะสังวิสุโลปุสะพูผ้าอะไรเนี่ยท่านก็จะมีเก้าคำรวบรวมมายอ่อๆในการ จ, จดจําอันพระที่ที่ท่านมีความสามารถเนี่ยเนื้อหายเยอะๆท่านก็มาแต่งเป็นคาถาแต่งเป็นคาถาหรือสมัยนี้ก็คือเอาหนังสือเป็นเล่มๆมาแต่งเป็นกรอนให้เหลือหน่อยเดียว แล้วก็ท่องซะท่องเสร็จแล้วก็จะนึกอย่างอื่นได้หมดนั้นอย่างสมัยก่อนนี่มาติกาก็คือสารบัญสารบันเนี่ยเขาจะท่องหมดเลยเนะพวกนี้เขาเป็นเป็นเรื่องท่องถ้าท่องสารบัญจบก็เท่าจบหนังสือเล่มนั้นแหละเพราะแล้วจะค่อยค่นึกตามเขาจะไม่ไม่ไปท่องทั้งหมดแต่าวาท่องทั้งหมดนั้นก็เมื่อไหร่เขาท่องเฉพาะสารบัญเพราะฉะนั้นสารบัญที่จากปแผ่นแรกนะครับความหมายของคําว่าอารหังเนี่ยนะครับคงจะจําได้แล้วใช่ไหมครับคุณมจุ๊บนะ คืออะไรบ้างครับหนึ่งคืออะไรครับอลหังความหมายคือไกลาจากกิเลสไล่าอะไรฮะทำลายข้าสึกกิเลสได้ทั้งหมดใช่ไหมฮะไกลาจากกิเลสได้อะไรครับสามารถหักซีกกรรมแห่งสังสารวัชจักไม่ทําบาปในที่รับสมควรแก่ปัจจัยสี่ และก็การสักการะบูชายอย่างอื่นเป็นต้น น, นะนะสมควรนี่ก็เป็นสา ร, รบัญอย่างหนึ่ง น, งนี้ก็เป็นสา ร, รบัญ น, นี่เป็นสา ร, รบัญอย่างหนึ่งแล้วก็ใครจะตึกได้ตึกน้อยก็แล้วแต่ว่าใครมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนใช่ไก็ตึกไปตั้งแต่หัวข้อแต่ผมนะผมคิดว่าหัวข้อทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับบรรดาหัวข้อเหล่านี้นะครับถ้าหาว่าขึ้นต้นเลยว่าคําว่าอานาหารนั้นนะหมายความว่า เป็นผู้ที่ทําลายข้าสึกคือกิเลสทั้งหมดได้นี่นะครับแล้วก็ตรึกไปนะครับเมื่อตรึกไปนี่นะครับตึกไปว่าพระองค์เนี่ยสามารถทําลายกิเลสได้ทั้งหมดกิเลส ม, มีอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่โลภะโทสะโมหะไปเลยนะครับแล้วก็เรามีกิเลสอะไรบ้างแล้วเราทําลายอะไรไปได้บ้างแล้วหรือยังไม่ไทําลายอะไรเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะตรึกคําว่าพระองค์นั้นห่างห่างไกลาจากกิเลสได้ชัดเจนเลยใช่ไหม ห่างว่าพระองค์เนี่ยห่างจากเราเยอะเลยใช่ไหมถ้าเราตรึกอย่างนี้ใช่ไหมครับพระองค์ไม่มีกิเลสแล้วพระองค์จิตของพระองค์จะเป็นอย่างไรบ้างนะจิตของพระองค์ก็จะเป็นเรื่องของเป็นกิริยามหากริยากิตหมดใช่ไหมมหากริยาก็คือมหากุศลนั่นเองแปดวงนั่ น, น, ะนะครบหมดเลยแสดงว่าพระองค์ห่างจากเราเท่าไหร่นะเมื่อจิตพระองค์ไม่มีกิเลสแล้วก็มีแต่พูดง่ายๆว่ามีแต่กุศลทั้งนั้นเลยใช่ไหมครัเมื่อเป็นกุศลเนี่ยพระองค์จะบริสุทธิ์สักแค่ไหนนะครับ เพอาะยิ่ตึกไปนี่นะเมื่อพระองค์ไม่มีกิเลสแล้วนี่นะพระองค์ก็เท่ากับว่าไม่มาเกิดอีกแล้วอะ่ะใช่ไหมไม่มีโลภะไม่มีตัณหาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไม่ต้องม า, มาอุบัติมาเกิดอีกแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรฮะก็เป็นผู้ที่ทําลายสีกรรมแห่งสังสารวัชคือจะเห็นว่าเป็นความต่อเนื่องของเหตุผลนี่นะแล้วก็เมื่อพระองค์บริสุทธิ์อย่างนี้นี่นะครับพระองค์ก็จะไม่มีการตึกในเรื่องอกุศลเลยใช่ไหมครับ นั่นหมายความว่าพวกมันได้ทําความชั่วทําความผิดทําบาปในที่ลับเลยถูกไหมมันจะเป็นขั้นตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าบุคคลอย่างนี้เนี่ยควรสรรเสริญไหมครับควรสรรเสริญอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับควรเคารพ บ, บูชาที่ก็มาอีกคองแล้วคำขวังแล้วก็บุคคลอย่างนี้ใช่ไหมครับที่สมควรได้ปัจจัยสี่อย่างเรานี่นะฮะแม้คนดีเหลือเกินเนี่ยมาให้เราทั้งที่เรามีกิเลสอยู่ใช่ไหมครับ ถ้าเราเอาปัจจัยสีไปให้กับผู้ที่มีกิเลสมากเนี่ยบางทีกลับเป็นโทษด้วยใช่ไหมครับเขาเอาปัจจัยสีนี่ไปทำอะไรอะไรเกิดโทษมากใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าไปให้กับกรณีนับุคคลหรือว่าไปให้กับภรรยาบุคคลขั้นต้นๆขึนน้นไปเรื่อยไบนี้นะถามว่านั่นนเป็นประโยชน์ไหมสมควรไหมไม่ต้องกล่าวถึงว่าพระภูมิภาค น, นั้นเป็นผู้ที่สมควรแห่งการที่จะรับปัจจัยสีใช่ไหมครับเป็นเนื้อนาบุญอย่างดีเลย พรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าเราตรึกอย่างนี้นะมันจะเป็นความเกี่ยวเนื่องกันไปยาวได้ขึ้นไปไล่เป็นเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องไปเลยใช่ไหมครับสําหรับเรื่องวันนี้เรื่องเป็นเรื่องของพุทธคุณนะครับก็คุณชุมก็ถามผมบอกว่าเอ้มาเช้านี้ตรึกอะไรนะฮะมาเช้านี้ตึกอะไรเกี่ยวกับพุทธคุณนะผมมาเช้านี้ก็ ไม่ทราบภาสีเวลาท่านหเปล่าครับมาชาผมเขาตึกถึงเรื่องวิชาจารณะสัมปรนโนนะ ค, คือตึกถึงเรื่องวิชาสามที่พระพุยภาคทรงตัดสูรในคืนวันที่พระองค์ทรงตัดสูใตายตนพระษีมหาโพนั่นะฮะคือวิชาแรกนั้นได้แก่บุพเพนิวาสานุสติยานีน่นะครับเมื่อตรึกไปนี่ก็จะเห็น ว่ายา น, นี้เนี่ยนะครับเป็นการละลึกชาติของพระองค์ได้ก็มานึกว่าอันที่จริงนั้ น, นะพระองค์สะสมบารมีในเรื่องสมถะมานานพระองค์ละลึกชาติได้มาก่อนแน่นอนก่อนที่จะเป็นชาติสุดท้ายนี่นะรพระองค์ต้องละลึกชาติได้แน่นอนแต่ว่าเข้าใจว่าเข้าใจเองนะครับยังไม่เจอหลักฐานไหนนะเข้าใจเองว่าในชาติสุดท้ายนี้เป็นการละลึกได้ที่สมบูรณ น ะ, ะเป็นการระลึกได้ที่ไม่มีขีดจำกัดเลยว่าชาติไหนต่อชาติไหนนะครับเพราะว่าการระลึกชาติที่ไม่สมบูรณ์นั้นทำให้เกิดทิฏฐิต่างๆมากมายในภพมชารสูตรท่านเคยไปอ่านแล้วใช่ครับเพราะว่าบางคนนั้นก็รละลึกได้ชาติหนึ่งสองชาติสชาติบางคนก็ได้เป็นกลับก็มีนะแม้กระนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าการระลึกที่ไม่สมบูรณ์นั้นก็จะทาให เข้าใจระหว่างเหตุกับผลเนี่ยไม่สมบูรณ์ไปด้วยเช่นผู้นี้เกิดมาชาตินี้แล้วทําดีมีทานมีศีลแต่ทำไมจึงอีกชาติหนึ่งไปตกนรกหรือว่าไปเกิดยากจนหรือว่าอีกชาติหนึ่งนั้นเนี่ยทาชั่วเหลือเกินแต่ทำไมมาชาตินี้ได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าได้โลกธรรมที่ฝ่ายดีมากมายใช่ไหมครับ ถ้าหากระลึกไม่สมบูรณ์ระลึกไม่ได้สุดแล้วก็จะไม่ไปเห็นต้นเหตุอันที่แท้จริงอันนี้ก็เห็นว่าโอ้นี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะในเรื่องกรรมสกตาปัญญาใช่ไหมฮะถ้าพระองค์ระลึกได้ตลอดสุรนี้นะครับพระองค์ก็จะได้เหตุได้ผลที่แท้จริงนะครับอีกประการหนึ่งก็คื อ, อ, อวิชาที่สองคือจุดูปปารตยานนั้นน่ยพระองค์เห็นการเกิด การปฏิสนธิการจติของสัตว์เนี่ยเปรียบเหมือนว่าพระองค์เนี่ยยืนอยู่บนที่สูงแล้วก็มองลงมาที่ต่ําเนี่ยเห็นเลยว่าบุคคลนี้จะออกจากนี้ไปก็ไปไปไปบ้านโน้นออกจากบ้านโน้นบ้านนี้อุปมายอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะเห็นว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับอ่าได้เกิดที่นี่แล้วก็ต้องไปไปปฏิสนธิที่นี่แล้วก็ไปจุติที่นี่จุติที่นี่แล้วก็ไปปฏิสนธิเนี่ยพระองค์เห็นหมดเลยนะครับการเห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการ เป็นการยืนยันในเรื่องกรรมสกัตาปัญญาผมเชื่อว่าสองวิชานี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ทาให้พระองค์ได้บรรลุมรคผลคืออาสวะคยายานคือวิชาที่ที่สามนี่นะครับซึ่งพระองค์นั้นเนี่ยได้พิจนาปฏิจจสมุปบาทในยามสุดท้ายของคืนนั้นแล้วก็ได้บรรลุมรคผลนะครับเราเรามาตรึกดูว่าพระองค์ พิจารอย่างไรในปฏิจจสมุปบาทนะครับเราจะเห็นว่าถ้ามาตึกในระหว่างสังขารกับวิญญาณ น, นี่นะครับคือปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขารแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณปฏิส่นที่วิญญาณพร้อมกับกรรมชรุบนี่นะครับถ้าตรึกคู่นี้ดูนี่นะฮะก็จะเห็นว่าถ้าไม่มีวิชาสอง คือบุเพนวาสานุสติกับจุดูปาตยา น, นี้แล้วเนี่ยการตรึกอันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่แน่ว่าถ้าอย่างหาว่าปัญญาเบื้องต้นนั้นไม่สมบูรณ์นี่นะครับการตรึกนี้จะบรรลุมรรคผลหรือไม่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่าด้วยวิชาทั้งสองข้างต้นดังกล่าวแล้วเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยตรึกเห็นเหตุเห็นผลของ ปัจจัยคือสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อพระองค์เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้พระองค์เห็นว่าการที่สัตว์ปฏิสนที่มาจากเหตุในอดีตซึ่งเป็นเหตุดีและเหตุไม่ดีนี่นะครับพระองค์ก็จะเห็นว่าอ้อมันมาจากมาจากอวิชชานะครับแล้วก็พระองค์คงจะต้อง เห็นว่านอกจากอวิชชาเป็นปัจจัยแล้วเนี่ยนะฮะพระงคคงจะเห็นว่าปัญหาตัวนี้สําคัญมากเลยว่าปัญหาเป็นปัจจัยทําให้เกิดปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขาร น, นะครับคือถ้าเห็นเหตุนี่นะครับก็จะทําให้พระองค์เนี่ยนะครับพระสักกายทิฏฐิเป็นต้นไปเรื่อยคือทําให้พระงเนี่ยมีปัญญามากั้นเถอดนะครับคือสามารถที่จะระกิเลสได้นะ นี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมตึกนะครับตึกอันหลังนี่รู้สึกกร ะ, ะท่อนกระแท่นหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีความชำนาญ น, นะแต่สรุปแล้วก็คือว่าด้วยด้วยเหตุด้วยผลจากวิชาสองนันนะฮะก็ทำให้วิชาสามคืออาสวัคยายานเนี่ยได้บรรลุมรรคผลนะครับอัอนนี้ก็ เป็นการตรึกก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นพุทธคุณหรือว่าจะเป็นธรรมคุณนะเดี๋ยวท่านอาจารย์จะได้อธิบายเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดการตรึกอย่างนี้ก็เป็นเนกขมวิตกเป็นกุศลวิตกนะฮะก็ควรตรึกอย่างยิ่งน ะ, ะก็ข อ, อนิมนต์ครับท่านการตรึกเรื่องวิชาสัมถ้าตึกในลักษณะว่า ถ้าผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนะความรู้เหล่านั้นนี่เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าปรารภไปในลักษณะนั้นก็เป็นการเจริญพุทธคุณถ้าปรารภในลักษณะว่าคำสอนเหล่านี้ข้อปฏิบัติเหล่านี้พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมะที่ช่วยให้พ้นจากกองทุกข์ได้จริงๆ ความรู้เหล่านี้เป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อกําจัดโลภะกําจัดโทสะกําจัดโมหะอันนั้นก็เป็นธรรมานุสติพระสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาท่านก็เห็นอย่างนี้ท่านก็ปฏิบัติตามนี้ท่านจึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาทณทัศนะปรารถไปในเชิงนั้นก็เป็นสังขานุสติแต่ถ้าปารถว่า นี่คือวิปัสนาภูมินี่คือภูมิของวิปัสนาเป็นอารมณ์ที่เราควรพิจารณาควรเพ่งควรพิจารณาควรปฏิบัติควรทำให้รู้แจ้งเห็นจริงอันนี้ก็เป็นวิปัสนาภูมิไปสิ่งเดียวนั้นแล้วแต่ว่าเราปารามองในมุมไหนถ้ามองในมุมไหนก็จะเห็นในมุมนั้นเองแต่ก็วัตถุดิบอันเดียวนั่นแหละแล้วแต่จะเชื่อมโยงไปหาอะไร การศึกษาเรื่องพุทธคุณจะทำให้เราเห็นพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าผู้ที่เข้าใจพุทธคุณมากก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนามากพระพุทธศาสนาในยุคนี้คนมองภาพไม่ค่อยตรงกับกับความเป็นจริงที่ว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะว่าคนไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าใช้คำว่าพุทธเจ้าพุทธหมายความว่า หมายความว่าไงผู้ตรัสรู้อริยสัจสี่นะผู้ท้านเนี่ยนะรู้เฉยๆไม่ใช่รู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆฉเราก็รู้เนี่ยเราก็เห็นรู้แบบนี้ไม่ไม่พอแต่รู้ระดับรู้อริยรสัจศาสนาของผู้ที่แทงตลอดอริยรสัจศาสนาของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่แทงตลอดอริยสัจทีนี้ว่าผู้ที่จะตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะเราต้องรู้ว่าอริยสัจ ค, คืออะไร ต้องมีความเข้าใจเรื่องนั้นพอสมควรจึงจะรู้ว่าผู้นี้คือผู้ตรัสรู้เสร็จแล้วผู้ที่ตรัสรู้เนี่ยท่านบำเพ็ญบุญบารมีสร้างกุศลเท่าไหร่อย่างไรท่านจึงมาตรัสรู้วิชานี้ความรู้อันนี้ถ้าเราพูดถึงอริยสัจเฉยๆนะเราจะมองภาพต้นนิดเดียวแต่ถ้ามองไปว่าโอ้โหผู้นี้บำเพ็ญบารมีเท่าไหร่จึงมาตรัสรู้วิชานนี้อริยสัจอันเดิมเนี่ย ไม่ลึกขึ้นนะถ้าเรามองภาพในลักษณะนี้บ่อยๆเออแล้วเราเข้าใจพระพุทธศาสนาลักษณะนี้ไหมนี่คือพุทธศาสนาเราเข้าใจแบบนี้ไหมถ้าเข้าใจเป็นไปตามนั้นเรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาถ้าไม่อย่างนั้นเราก็รู้จักเฉพาะที่เรียกว่าพุท ธ, ธมามะกะคือชนที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเรื่องอริยสัจไม่รู้จักผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจ ไม่รู้จักคําสอนเพื่อแทงตลอดอริยสัจไม่รู้จักกลุ่มชนที่ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจเราก็จะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาในเรื่องของอริยสัจทั้งก็เริ่มแตกแขนงในสายทุกขสัจมาแบ่งออกเป็นกลุ่มขันกลุ่มธาตุกลุ่มอายตนะกลุ่มอินทรีย์กลุ่มปฏิจจสมุปบาทก็โยงมาอีกใช่ไหมนี่คือลูกหลานของเขาไป ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสมุทัยศัสตร์ก็คือเรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่องกิเลสมากมายนานัปการที่คนเนี่ยมากกด้วยโลภะโทสะโมหะที่จริงกลุ่มนี้ที่พูดถึงคือกลุ่มสมุทัยศัตร์ทั้งหมดแต่ว่าโอ้หพุทธศาสนาเป็นเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสมถะเรื่อ ง, องมิปรสนาเป็นต้นอันนี้คือแนวทางแห่งสายมรรคสัตว์แต่ว่าชั้นต้นเนี่ยนะธรรมะกลุ่มเหล่านี้เป็นไปเพื่อมรรคสัตว์เป็นอุปนิสัยเพื่อรู้มรรคสัตว์ เราก็จะแบ่งกลุ่มคําสอนได้ถ้าเราแบ่งกลุ่มคําสอนได้ปั๊บเราฟังอะไรปั๊บเราจะรู้เลยว่าธรรมะเหล่านี้อยู่ในกลุ่มไหนธรรมะในกลุ่มนี้เนี่ยไปเชื่อมกับกลุ่มอื่นๆได้อย่างไรเพราะเรามองเรื่องอริยสัจออกปั๊บเราจะมองพระพุทธศาสนาออกนะเมื่อเรามองพุทธศาสนาออกเราก็ใกล้ชิดศาสนาเท่านั้นเพราะตามธรรมดาผู้ที่รู้เรื่องคําสอนดีแล้วที่จะไม่นับถือไม่มี คนเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชน ท, ที่สมบูรณ์และสมบูรณ์ระดับหนึ่งระดับโลกยชนที่ถึงสรณคมทีนี้ถ้าหากว่าพื้นฐานการถึงสรณคมเหล่านี้ดีมากกายกรรมคำพูดในชีวิตประจำวันก็จะเป็นไปเพื่อสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคําสอนของผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจไม่ใช่คาสอนของคนหลง ศาสดานั้นไม่ใช่ศาสดาที่ทําด้วยอํานาจอาคติคือโลภะอย่างใดยอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้ศาสดาตรัสก็หาไม่ด้วยแรงแห่งโทสะเป็นคําสอนเพื่อสาบแช่งก็ไม่ใช่เป็นคําสอนที่โง่งมงายโง่เขลาเบาปัญญาก็ไม่ใช่แต่เป็นคําสอนของผู้ตรัสรู้ว่าเออนี้ควรรู้ยิ่งสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรทําให้แจ้งสิ่งนี้ควรเจริญ เมื่อเรานับถืออย่างนี้เราง ม, มงายไหมเราต้องสามารถสอบถามตัวเองได้เรานับถือทำไมท่านดีอย่างไงเรานับถือเราเจริญถึงท่านแล้วท่านช่วยอะไรเราบ้างช่วยทำมาหากินไหมถ้ามีคนถามลักษณะนี้นะคุณมัวแต่ไปศึกษาธรรมะรู้ไหมคุณเสียเวลาทำมาหากินเท่าไหร่คุณมาอย่างนี้เนี่ยใครจะมาเช็ดบ้านถู บ, บ้านถ้ามีคนมาว่าอย่างนี้เนี่ยเราสามารถชี้แจงเหตุผลโดยทําได้ไหม ดูก่อนพิสูจทั้งหลายชนพวกอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์เธออย่าได้พยาบาทอย่าได้อากขาดอย่าได้โทมนัสอย่าได้น้อยใจในคนเหล่านั้นถ้าหากว่ามัวพยาบาทมัวโทสะจะรู้ไหมว่าเราเป็นอย่างนั้นที่เขาว่าไหมเพราะมัวแต่โทสะอยู่ก็เลยที่นึกชี้แจงอะไรไม่ออกเพราะจับอันพระองค์ก็บอกให้ฟังก่อนฟังว่าเขาว่ายังไงแล้วก็ชี้แจงว่าเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะ ศาสด า, าเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นคําสอนของพระศาสด า, าเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระสงฆ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่พระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้พระธรรมเป็นเช่นนี้พระสงฆ์เป็นเช่นนี้แต่ถ้าหากว่าคนเข้ามาชมชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์เธอก็จะได้โสมนัตดีใจปราบปลื้มใจเพราะเหตุนั้นอีกถ้าดีใจมัวแต่ปลื้มถามว่าไอ้ที่เขาชมนี่ชมถูกหรือชมผิดโ อ, อนะคําชมบางอย่างเนี่ยนะเราฟังไม่ดีเนี่ยดูเหมือนใช่เลยนะ ในคําชมเหล่านั้นเนี่ยต้องมาเทียบเคียงอีกก็มาเทียบเคียงว่าเออเขาชมนี่ใช่เข้ากับหลักอันนั้นหลักอันนั้นหลักอันนั้นหลักอันนั้นดังนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนาของเราจะต้องเป็นในลักษณะนั้นทําไมท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรแล้วคาสอนของท่านผู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่ออะไรจุดประสงค์ของคําสอนนี่คืออะไรคําสอนของพระองค์ น, นี้เป็นธรรมะที่สางคลายแห่งความเมาร เมาด้วยอำนาจราคะเมาด้วยอำนาจของโทสะเมาด้วยอำนาจของโมหะอันพระสงฆ์เหล่านี้ผู้ปฏิบัติก็เพื่อที่กำจัดละคลายสิ่งเหล่านี้เพราะราคะโทสะโมหะมันเป็นเหตุแห่งชาติชราพยาธิและมรณะเป็นพิษไข้เป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงที่สุดโรคของจิตใจนะโรคของจิตเจตสิกโรคของรูปเราก็รู้ใช่ไหมโรคของรูปโรคมะเร็งโรคเอโรคอะไรต่างๆเหล่านี้คือเชื้อโรคแห่งรูปกาย เชื้อโรคแห่งนา ม, มากายก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะเมื่อโรคอันนี้ลงลงระบาดในจิตของผู้ใดคนนั้นเนี่ยจะมีไข้มีไข้แล้วก็ต้องชีวิตต้องเป็นไปในวัตตะที่แสนจะทุกข์ทรมานเรานั่งอยู่อย่างนี้เรานึกไม่ออกวันที่แล้วเนี่ยเห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคมะเรง็งเนื้อ ง, งอกออกมาข้างหน้าเนี่ยนะพอๆกับคนมีท้องน่ะเป็นมะเร็งที่งอกออกมาเด็กคนหนึ่งก็คอปูดขนะึ้น ในแต่ละส่วนนะตั้งแต่หัวมาจรดเท้าเนี่ยมันสามารถจะปูดสามารถจะบวมสามารถจะยุบสามารถจะแยกอันนี้คือโรคทางกายมันน่ารังเกียจน่ากลัวขนาดนี้แต่ว่าโรคกายเหล่านี้ถ้าเขาไม่ได้มีกิเลสในใจทําเหตุที่ไม่ดีไว้โรคกายอันนี้ไม่เกิดโรคกายอันนี้สัมพันธ์กับโรคกรรมในอดีต ด, ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาหารในปัจจุบันด้วยอีกส่วนหนึ่งประโยคาวิบัติด้วยอีกส่วนหนึ่ง แปลว่าถ้าหากว่าเขาไม่ได้ทําเหตุแบบนั้นไว้นะถึงเขาประโยคนวิบัติอย่างไงเขาก็ไม่ป่วยบางคนเนี่ยโอ้ยใช้ชีวิตเละเทะมาตั้งหลายสิบปีไม่ป่วยอะไรสักอย่างเลยนะอีกคนหนึ่งรักษาสุขภาพแทบเป็นแทบตายป่วยบ่อยเหลือเกินมันก็ต้องมองอีกหลายๆเรื่องทั้นคําสอนของผู้ศาสนาจะเป็นลักษณะนั้นเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อกําจัดโรคเหล่านี้ทั้งสิน้น เพราะพระพุทธเจ้านั้นอ่ะเป็นผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้สิ่งที่ควรรู้ยิ่งแล้วท่านกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้แล้วท่านละสิ่งที่ควรละและ้วท่านเจริญสิ่งที่ควรเจริญแล้วท่านทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งแล้วในถ้อยคําเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นความลึกซึ้งต่อเมื่อเราศึกษาความเป็นมาของท่านว่าก่อนที่ท่านจะมาตรัสรู้วิชาเหล่านี้คําสอนเหล่านี้ท่านตรัสรู้ได้อย่างไรใช่ไหม แม้แต่ว่าพระสารีบุตรท่านเองก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสั่งสมบารมีมาอย่างไรท่านจึงไม่มีความสามารถขนาดนี้สามารถที่จะแสดงธรรมเปิดเผยพระธรรมคำสอนทั้งหมดเหล่านี้เพราะฉนั้นยังข้อความในอัตกถาคู่กานิกายจริยาปิดกซึ่งท่านคัดข้อความมาจากคำภีร์พุทธวงศกล่าวถึงว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามาก ไปดูในหน้า14ของจริยาปิดกนะต้องออกตัวนิดหนึ่งว่าหนังสือนี้ไม่ใช่เป็นหนังสือที่ได้เรียบเรียงมาแล้วเพราะว่าได้คัดเอาจากคมพี์หลายๆคำภีมารวมเป็นเล่มเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าหลังก็อาจจะสลับกันบ้าง<ช>แต่ว่าเชื่อมให้ติดนะว่าหน้า14นะหน้า14ของจริยาปิดกเป็นหน้า14อยู่ซ้ายมื อ, อดูข้างบนนะว่าเป็นตรงนิทานคาถา นิทานกถาแล้วอยู่ซ้ายมือของนิทานกถาท่านกล่าวว่าพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในฌานฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานพราะสารีบุตรนี้ท่านคล่องแคล่วในเรื่องฌานมากและท่านออกจากฌานพี่าจรณาองค์ฌานแต่ละตัวแต่ละตัวนี้ได้หมดเนี่ยมันเก่งขนาดนั้นแล้วบรรลุบารมีด้วยปัญญาเพราะท่านเป็นอัครสาวกเป็นเอตทัคคะด้านปัญญา ย่อมทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกแห่งโลกนายกคือผู้นำนะผู้นำโลกโลกไหนการมโลกรูปประโลกอรูปประโลกเพื่อให้พ้นจากสังสารทุกข์ท่านนำสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์เป็นผู้นำเหมือนกันแต่ว่านำออกจากวัฏจักรทุกข์ท่านก็ถามว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้สูงสุดกว่าคนสูงสุดนะอุตมะบุรุษบุรุษที่สูงสุดเป็นอุดมบุรุษ คำว่าบุรุษที่สูงสุดเนี่ยสูงยังไงด้วยรู ป, ปกายเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั่งในบริษัทที่มีเทวดามีพรหมเนี่ยพระพุทธเจ้าเด่นล้ำที่สุดมีรัศมีที่เด่นล้ำเกินกว่าสัตว์ทั้งหลายแล้วในด้านนามกายของพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเป็นจิตเจตสิกที่มีสติมีปัญญา ม, มีคุณภาพมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย จึงเทียบว่าสัต 2, ว์สองเท้าสัตว์สีเทาสัตว์มากเท้าพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดก็บอกว่าแม้แต่มหาพรหมเนี่ยเมื่อเทียบแล้วก็คือคนวัดเองเมื่อเทียบตําแหน่งของท่านเป็นคนวัดหรือเป็นสัมมาเนนเท่า น, นั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับโอสัมมาเณ น, นกับพระพุทธเจ้านี่มันทางกันเนยอะนะต้องผ่านที่สุกกันใช่ไหมต้องผ่านอนามา ก, กันพระองค์นี่สูงสุดทีนี้ถามว่าอภินิหารของพระองค์นี้เป็นเช่นไรอภินิหารคืออะไรวันก่อนมูนปฏิธานใช่ไหม อภินิหารคือมูปนปณิธานที่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรข้าแต่ท่านผู้ทรงปัญญาในการอะไรที่พระองค์ทรงปรารถนาความตรัสรู้อนุดมความตรัสรู้อนุดมคืออรหัตตมักคิยานเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยานอันนี้เนี่ยท่านตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่